Book 2 <23. S 3> <23. S> 2ย23สิสการเรียนภาษาต่างชาติเฟรนด e ตอลเลียร e คุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะว a ริทิชสปอ คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะคภาษาโปรตุเกสอวกพรอดค่ะและดิฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยคะ่ะย่ออินอากันอิตาเลียนอวกพรอดดิฉันคิดว่าคุณพูดได้ดีมากแอคติงอีพรอดปอุดภาษาค่อนข้างคล้ายกันมาก ดิดิฉันเข้าใจภาษามันได้ดีตแต่การพูดและการเขียนมันยากมารีฟดิฉันยังพูดและเขียนผิดอีกมากทุกครั้ง โปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะการออกเสียงของคุณดีมากคุณมีสำเนียงนิดหน่อยคนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหน Mens hoor, waar jy v y, a al, oon, ai, n ฟัน n kom? ภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรคะวาติเชอมูเตอร์โ a l คุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะฟัตยัยเอตโ k ลเคอรคุณใช้นังสือเรียนเล่มไหนคะว e ติรันพุกเกย ตอนนี้ดิฉันจาชื่อไม่ได้ค่ะอาการนี้อุติอดินมอดีดิฉันนึกชื่อนังสือไม่ออกค่ะดิทิ ท, ทัลเอมาอนไรป์ดิฉันลืมไปแล้วค่ะแอคเดดเวเกียต